และอื่นๆมันก็จะลับกันไปหมดอะไรเนี่ยอันนี้แน่ๆแล้วเก็บฝังเป็นความรู้สึกอยู่ในจริงๆบางคนก็อาจจะไปถึงแล้วบางคนก็อาจจะ เราจะได้นึกอ่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาในทางพุทธศาสนาได้ว่าโง่อย่างไรแล้วก็ฉลาด เอกสารชุดที่ 13 ถึงเรื่องอวิชชา 8 อย่างว่าอวิชชาอย 8 อย่างที่กล่าวจะผูกอยู่เฉพาะในปฏิบัติแล้วขั้นมรรคผลเท่านั้นก็ทําให้เรา ต้องรู้แล้วต้องโง่แปดเรื่องนี้นี้เท่านั้นถึงยังเป็นปัญญาแล้วต้องง้อ 8 เรื่องนี้จึงๆก็ ต้องการหยิบหมวดที่อธิบายอวิชชาหรือโมหะมาแบบไม่หมดไม่ครบหมดแล้วก็เป็นการหยิบบทอธิบายอวิชชาในส่วนจริงๆเรามีที่อื่นแล้วมีๆแบบเลือกบางอย่างบางๆ แต่สําหรับเท่าที่เป็นอวิชชา 8 อย่างนี้ก็ขอได้อยากเอาเป็น 2 ส่วนครับว่าเป็นส่วนปริญญาและส่วนปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะปฏิบัติท่านจะบูชิมรรคผลเท่าปฏิบัติ สูงกว่าปริยัติชัดกว่าปริยัติดีกว่าปริยัติ 8 อย่าง 8 นี้ไม่รู้ 4 ซึ่งเป็น เพราะอื่นๆนั้นเป็นส่วนที่เกี่ยวกับเหตุและการเพ 5 6 และ 7 ที่ ทุกขกับสมุทัยในอดีตปัจจุบันอนาคตพูดอย่างสั้นๆก็คือ 5 ข้อ 6 และ ถ้าจึงเอาอนาคตคือ 3 กาลเนี่ยมากล่าวเป็นเรื่องของความรู้ไม่รู้แล้วมันมีผลมีดีผลอย่างหรือแก้ทุกข์แล้วก็หาจริงก็ ถ้าทรทุกข์ในปัจจุบันคือชีวิตในปัจจุบันมันก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ มันเป็นอาการหนึ่งของความทุกเป็นอาการหนึ่งของความทุกข์เราเคยคิดบ้างว่าหนูรู้สึกบ้างไหมว่าปัจจุบันนี้เราหรือได้ดีกว่าเก่า เราก็จะต้องพัดพรากย้ายถิ่นฐานบ้านช่องย้ายดีเนาะเปลี่ยนแปลงไปต่างอาณาจักรของตัวก็เป็นทุกข์ก็ไป ถ้าท่านมนุษย์เราไปเกิดเป็นเทวดาเอาแล้วถึง เรเราก็ยังนึกเสียวๆอยู่นะเพราะเมื่อเรานึกว่านี้เราจะไม่ได้อย่างนี้จะเสียนั่นเสียนี่ต้องไปประเจิญกับสิ่ง <laughs> โกหกที่ทํามากี่ชั่วโมงแล้วจะไม่ให้เป็นเปิ่ลเป็นจริงๆนะไม่หลายบางคนนั้น เคยนึกว่าลองไม่มีสังฆาริกแล้วยังไม่ไปเจอสังฆาริกผมจริงๆใช่ทิฏฐิก่อนนะนิกรของผม ภาพเพ้อถ่ายมาผมตอนนั้นก็ไปเข้ากรรมฐานอยู่พอผู้นี้ซะก่อนก็ไปขวนขวายดูว่าซ้อนก็ การยั่วยุคจากแขวนการทำลายอย่างใดยังหนึ่งก็เป็นได้คือ มึงโหทําอะไรลงไปแล้วก็มาเสียใจลํากระแก้ออะไรไม่ได้หรอกมึงโดนฆ่าเข้าตายแล้วจะว่า อ่าคู่ที่มุ่งทําลายศาสนาก็ทําให้ผู้ที่ดีๆอยู่เนี่ยอาจจะพลาดได้ซึ่งเรา หรือ 2T ไม่ 3T ไม่ 4T เอาเลยแล้วก็มานั่งรับเสียใจอยู่ที่เหลืองแล้วกันมันก็ เมื่อถึงอยู่ในหัวใจก็อยากได้เราเนี่ยได้จากความชั่วทั้งหลายคนทั่วไปน่ะขอให้ ก็ไม่ต้องไปอธิษฐานแคล้วคลาดจากพลถ้าเราไม่ จะใช้เอกสารหมายเลข 13 ต่อเอกสารหมาย ตามหรือเป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับวิจิกิจฉาเป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับพุทธะจารย์ที่เอ่อกล่าวอยู่ในโมหะมูลจิตซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญเอ่อในเอกสารหมายเลขที่ 14 นั้นก็ได้แสดงถึงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับโมหะไว้ค่อน ในแง่มุมต่างๆที่ควรจะเข้าใจและมีผลในทาง อาจจนถึงที่สุดของพระภิธรรมเนี่ยครับหรือตลอดโมหะมูลจิต 2 อ่าถ้าท่านผู้ใดได้ยินคํา รอบผ่านคือชื่อว่าเป็นผู้ที่ฟังเรื่องอกุศล 12 ดวงรู้เรื่องคือโมหะมูลจิตดวงที่ 1 ที่ชื่อว่าโมหะวิจิกิจฉาบางทีเราก็เรียกว่าโมหะวิจิกิจฉาบางทีก็เรียกว่าโมหะจิตดวงแรกแต่โดยมากจะเรียกว่าโมหะวิจิกิจฉาคือถ้าคนที่เข้า โมหะดวงที่ 2 นั้นคือโมหะอุทธัจจะพูดเป็นมีความเข้าใจที่ ทั้ง 2 ดวงนะครับคือดวงแรกก็เริ่มต้นด้วยอุดวง 2 ก็อุซึ่งเป็นลักษณะร่วม 2 ดวงจุดต่างนั้นอยู่ที่คําว่าวิจิต อันนี้คือความหมายโดยสั้นที่สุดโดยย่อที่สุดเอ่อซึ่งเราจะ อ่านและฟังโดยมยุยากรคือเมื่อเปรียบเทียบกับอกุศลจิต อาการของความโลภนั้นคล้ายกันแต่ว่าเมื่อเราได้ศึกษาแล้วก็ทราบว่าเป็นสภาวะ แต่ถ้าหากว่าคือความรู้สึกดีใจนั้นเกิดปนกับโลภะแล้ว เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายต้องการความสุขเหมือนกันแต่เราก็ แล้วอ่าแล้วก็อโลภะที่ปรากฏกับความสุขถึงเหมือนเป็นเครื่องหล่อให้เราติดเนี่ยในชั้นหลังๆต่อไปมันก็ได้ไม่คุ้มเสีย ไม่คุ้มกว่าเลยนี่ก็เป็นข้อย้อนเปรียบเทียบทีนี้เรา อ่อนกว่าความโลภที่เกี่ยวด้วยโสมนัสแต่เราก็ยังเห็นอยู่ จิตต่างๆต่างๆเนี่ยมันมีสภาพที่เหมือนเป็นเราจะไม่ติดสุขเหมือนกัน เช่นเราเห็นของที่เรารักเราเห็นจนชินก็จะเกิดอาการทุรนทุรายเกิด เราเราจะให้คุณค่าของอุเบกขาเวทนาในโลภะมากสูงๆเนี่ยน้อยกว่าอุเบกขาในโมหะไอ้ ปฏิกรรมมนุษย์หรือสังเกตสภาพตัวเราเองจิตของเราเองตรงนี้รู้หรือเช่นคนเราอย่างเราเช่นความเฉยใน เรานึกไม่ออกในเนวสัญญานาสัญญานะเราไม่รู้เพราะไอ้ที่เราเรานิยมเนี่ยๆเราไม่รู้แต่ถ้าเป็น หรืออยู่ในอาการของความมึนเมาอย่างรู้ตัวครึ่งไม่รู้ตัวครึ่งที่เราเรียกว่าติดความ ไม่คิดที่จะใช้สติเข้าไปประหารประหารไปสังหารอันนี้น่ะไอ้ข้อเท็จจริงตรงนี้มันละเอียดนิดนึงแต่เราสังเกตได้จากว่าในขณะที่เอ่อเราอยู่เนี่ยความที่เราเข้าถึงสติความ องค์ศาสน์ด้วยอำนาจของกามฉันทะของพยาบาทอ่านี่องค์ต้องทบทวนอันนี้นิดนึงนะองค์กว่ายกกรณีธรรมดากรณีธรรมดาเนี่ยไอ้ความสุขความโลภเนี่ยมันเป็น มาเล่นกระจินั่งใจลอยบ่นั่งใจลอยดีกว่าไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นมันก็ตื่น เฉื่อยเฉื่อยไปเอาเป็นว่าเขาไม่ได้รับความรวดร้อนจากการที่เกิดเป็นควางเอ่อขอประทานอภัยที่ไม่ ถ้านั้นแล้วมันนอนเฉยๆเลียแค่เลียขานะไม่ต้องทุรนทุรายไปหาความสุขอย่างบางคิด จนความสุขจิตมันล้ําลึกลงไปความสุขจากความปลูกหน่ายแหนงจากการประพฤติธรรมเพราะอะไรเพราะมันมีไอ้เครื่องร่ออันหนึ่ง อารมณ์ที่เป็นความมึนๆนี่ในขั้นแรกเนี่ยมันจะมาทําให้เรารู้สึกกับการทําสมาธิทั้งๆที่ท่านที่เคยถามทีนี้พอทําไปนาน อารมณ์และต่างๆก็ตามความทุรนทุรายไม่พอใจกันระหว่างสติกับความคิดซูแบบละเอียดได้โมหะนะฮะมันจะ จะเจริญสติทําๆเรื่อยเปื่อยเห็นอะไรกระทบตาจะ เพราะไม่ใช่ศักแต่ว่าจับอารมณ์นั้นได้เป็นสติในขั้นละเอียดเนี่ยไม่ใช่สักแต่ๆในทางหลักการว่าว่าอารมณ์เนี่ยเราทํา แล้วก็ชั้นละเอียดที่สุดคือโมหะมันเข้ามาฟุ้งซ่านอยู่กับไอ้ความพอง อ่าเล่ห์เพทูบายของอีเลดที่มันแสดงกับเรานะเรื่องโมหะนั้นเป็น ชีวิตปกติของคนที่มีอารมณ์อิตถารมณ์ทั่วไปกลบนั้นอาจจะมองไม่เห็นแต่ชีวิตต่ํา อันนี้ผมก็พูดถึงเวทนาเทียบกับโลภะทีนี้ถ้าเป็น ดูพยายามจะรักษาความเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้ ว่าทําไมโมหะจึงไม่เป็นโสมนัสและอยอย 2 อย่างที่เหลือทําไมจึงเป็นอุเบกขา ที่ว่าไม่มีโลภะเป็นมูลก็เพราะว่าในอกุศลจิต 3 กลุ่มอ่านี่ก็เขียนนําหลักท่านที่ อันนี้เป็นเหตุสําคัญในทางรากเหง้าพอที่เขียนคือว่ากลุ่ม 8 มี 2 คือรากเหง้าของความเป็นโลภะมูลจิตเนี่ยมี 2 โทสะก็มี 2 คือโทสะกับโมหะแล้วก็โมหะ จึงต้องอ้างไปถึงว่าต้องอ้างไปถึง <c oughs> ป้องกันความดีใจนี่ว่าถึงขวางฝ่ายนะโดยจะจับเข้าตัวกันแรงแล้วราคะหรือตัณหาหรือโลภะตามนอนเนื่องใน <c oughs> คล้ายๆว่ามันเป็นอกุศลที่เข้ากลุ่มเข้าพวก ไปไม่ถึงเป้าหมายไปไม่ถึงเป้าหมายเหมือนเราเราจะกินอาหารสักมื้อนึงเราจะดมอะไรสักกลิ่นป๊อดหนึ่ง 5 เราน่ะต้องการอารมณ์นั้นควรจะก่อให้เกิดความ นี่เป็นความปรารถนาจ้องอยู่ในใจเลยใช่มั้ยเช่นแต่น้ําสักแก้วไม่ <c oughs> ความอย่างถึงที่ในใจของตัวอย่างถึงที่มันก็เกิดแค่โลภะอุเบกขาและไอ้ไม่ถึงที่จะได้เหตุ ดีกว่าไอ้ที่เรากินเมื่อก่อนหน้านี้แต่เพราะเรากําลังมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เพราะฉะนั้นที่ว่ามา โลภะกับความโสมนัสนั้นมันเป็นสภาวะกันเป็นที่หมายกันคนที่หวังความสุขก็หวังจากโลภะคิดว่าโลภะทําให้เกิดความสุขเมื่อเกิดความ ไม่ใช่ว่าจะไปหาความสุขที่ไหนต้องห่วง ฉะความเข้าใจหลักการนะทีนี้เอาล่ะมานะว่าไอ้ความทุกข์นี่ไม่ เป็นความจําเป็นในบางชั้นบางระยะที่เราหลีกไม่ได้เช่น เป็นความทุกข์ที่ทุกข์แล้วมันทําให้เกิดความสุขได้ไม่ ปุถุชนคนดีก็ตามคนชั่วก็ตามนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์พระอรหันต์ จากโทสะเป็นความทุกข์ที่บริสุทธิ์เป็นความ นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะว่าเวลาเรามีความทุกข์อะไรเนี่ยสิ่ง ญาติเราไปถูกดุถล่มเราเองถูกดุ ความโกรธนั้นเป็นตัวแก้ปัญหาใช่มั้ยฮะเราคิดว่า หรือบางทีก็ทําให้เกิดการสร้างขณะสมมุติว่าเราโกรธเข้ามาแล้วไปฆ่าเค้าตายนี่ในทางที่จะฝึกปฏิบัติได้กับความทุกข์เนี่ย ฉะนั้นเราก็ว่ากันก่อนว่าเพราะอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่เป็น <c oughs> <c oughs> นี้มูลสองตัวนี้มูล 2 ตัวนี้มูลใดมูลเฉยเฉยเพราะไม่มีตัวตัวเรียกว่าเป็นตัวเล่นตัว ที่เกิดจากองค์ประกอบภายในของโมหะคือเราเข้ารู้มาจากดวงที่ 1 เป็นกิเลสที่มีฐานะเป็นประธานในโมหะโมริจิตดวงนั้นคนละตัวกันนะมูล ที่เป็นตัวปรากฏจัดเป็นตัวออกมาปฏิคมต่ออารมณ์ปรากฏจัดเป็นตัวออกมาอ่าปฏิคมต่ออารมณ์คือมาต้อนอ่ะเดี๋ยวอ่านได้ เนี่ยหวั่นไหวคือกิเลสนั้นประกอบอยู่ในจิตที่เรียกว่าโมหะมรจิตนั้นเลยไม่ oh 2 ดังกล่าวเลย 2 คือนอกจากจะไม่มีไอ้กิเลสอื่นที่เป็นตัว กิเลสชนิดที่เป็นตัวทำลายความสุขหรือความโสมนัสเกิดขึ้นอุเบกขาเวทนา ฟังก็กับอุเบกขาในโมหะเนี่ยอุเบกขาเวทนาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเลยอุเบกขาในนะโมหะก่อนกว่า มันมันละเอียดอ่อนจนกระทั่งเราเกือบจะไม่ได้รู้สึกรู้สา อุเบกขาของโลภะกับของโมหะเนี่ยอ่ะตั้งตัวนี้เป็นหลักแล้วมันดูกลมกลืนกันแยกนึกไม่ออก มันต้องแยกพูดถึงเหมือนกันว่าในกุศลจิตที่นะแต่ว่ามี แต่ยังให้เกิดในสันดานได้ยากกว่ากูแต่เราไม่ต้องไปทําทานทําอะไรแล้วครับก็ไม่หา นะไม่ต้องไปลงทุนนําอะไรตัวโดยโมหะใน <c oughs> มีถือแต่เป็นของที่เห็นได้ยากเป็นของอย่างในแง่ของความดี นี่ก็แวะไปทางนั้นนิดนึงเพื่อส่องกลับมาหาสภาพของ หรือจะสังเกตได้ด้วยวิธีการธรรมดาหรือในขณะที่เราไปๆแล้วยิ่งไปปฏิบัติธรรมเนี่ยครับ มันไม่เกิดความความกุศลก็ไม่เกิดใช่มะเห็นแล้วว่าบางคนมันมีค่อยๆไอ้ทีแรก อ่ะที่มันจะเป็นไปได้เรื่องของอุเบกขาในโลภะนะแล้วก็ ไหวเงินออกเป็นนี้บากอ่ะตอนนั้นมันจะเป็นอุเบกขาโมหะนั่นหลับเนี่ยหลับไม่ถือว่าเป็นจิตวิบากก็เลยไม่รู้ว่า ทำความชั่วด้วยๆคือว่าๆจะทําความชั่วถึงสมัยที่ทํา 12 เนี่ยมันก็มีให้ทําได้จิตตรงไหนแตกต่างกันไปถ้า เป็นวิบากจิตไม่ได้เป็นความชั่วในตัวมันเองจิตไม่ได้เป็นความชั่วในตัวมันเองแต่ที่บาง <c oughs> ปหลาละเลยไอ้ความคิดปราลภความหลับด้วยประการใดๆนั้นเป็นความชั่วมาเอาความเป็นกลางเป็นอารมณ์ ในการใส่บาตรเป็นความดีแต่คนที่ใส่นั้นเป็นความชั่วได้อย่างงั้น <c oughs> ก็ดีแล้วนี่พอฉันฟังเนี่ยโลภะเกิดตลอดฉันก็อุตส่าห์หลบลีหลีเลี่ยงให้มันนะวิจิกิจฉาบ้างกุจจาบ้างก็ยังนะทีมีปัญหาแต่ว่าครอบรานลบ สมมุติว่าเราถ้าเราเป็นคนนั่งฟังธรรมอย่างผมก็นั่งที่เครื่องง่วงก็ใครพูดอย่างนั้นบางคนเนี่ยเขาก็พูดเราก็ไม่จากกรรมกรเขาต้องการ <c oughs> กะในทางกุศลเกิดกําลังใจขึ้นนะนี่คือถ้าคิดอย่างนี้แล้วไม่หลับก็ได้บุญนะโถเอ้ยกู เสลแล้วก็สิเหียดหลับถ้าถ้าปลารบอย่างนี้เป็นบาปถ้าหลับไอ้ความหลับนั้นเป็นอารมณ์ของ แต่นั้นอารมณ์ของบาปเนี่ยมนดีก็แล้วเดี๋ยวก็ไปศึกษาคิดเอาเองนะว่าอัน <c oughs> และศอกมีกิเลสเจ้าเรือน 2 ตัวมา หวั่นไหวเนี่ยครับเป็นคํากลางที่พูดถึงสภาพของหมู่ต่างๆเรียกนี้ความ อย่าเพิ่งเอาไปปนกับความคิดฟุ้งซ่านเรื่อยๆต่างๆเป็นนะนี่เราคิดดูให้ดีครับว่าการที่บุคคลรับอารมณ์ นะเพราะว่าไอ้ความโกรธเนี่ยที่เรารุนแรงของกิเลสในลักษณะหนึ่งคนถามว่าคนโกรธรุนแรง ไอ้ความรุนแรงของยินดีกันยินร้ายไปโกลาทางกันเอาล่ะ คนๆก็เป็นปกติลมก็กำเริบเสิกสานภายในนั้นถือเป็นความรุนแรงในลักษณะแตกทําลายทําให้เกิดการแตกทําลายในหวั่นไหวตัว โดยกำลังของจิตนี่คือความหมายที่ท่านต้องการจะมุ่งหมายเอา เวลามาเห็นคนมามันก็สะบัดหางทีแล้วก็แงะที่มันดูแล้วนอนตกตะกุย เราไม่มีเจโตบริยะว่าถ้ามีการปล่อยจิตในลักษณะที่ว่างจากโลปะและโตสะก็เอาทฤษฎีไปพูดเร อัตราหน้าของจิตปรมัตติเนี่ยมันก็คือจิตปรมัตติไอ้มาเอาไหนมาพูดธรรมะซะมั้ยเอาจิตเอาจิตหมูจิตหมามาใส่ว่าโดยจิตมันเหมือนกันไอ้มันอาจจะนะว่าไอ้คนเมาคน <c oughs> นอนอยู่ใกล้ๆอยู่นักจริงดีก็เคยเห็นไอ้ตัวนักก็นอนอยู่ต่างก็คนต่างนอนแล้วก็ไม่กัดกันจิตๆๆนะไต่ ไอ้นู่นนี่ไอนี่หน่อยไม่อยู่กับที่ไม่ และเราสังเกตได้ชัดเลยแน่นอนเลยก็คือว่าเมื่อใดที่เราต้องการทําสมาธิแล้วก็ภาวะมันไปตกถึงโมหะเนี่ยอารมณ์จะไหลไป <c oughs> ฉะนั้นเป็นความหมายในคําว่าหวั่นไหวคืออ่อน แต่